อาจารย์ไม่รับการขอเขมาสมัยนั้นอาจารย์ทั้งหลายถูกอันเตวาสิก ข, ขอเขมาก็ยังไม่ยอมให้เขมาภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้อาจารย์รับการขอเขมาอาจารย์ทั้งหลายก็ยังไม่ยอมให้เขมาอยู่เช่นเดิมพวกอันเตวาสิกพากลีกไป เสียบ้างศึกเสียบ้างไปเข้ารีดเดรธีเสียบ้างภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอาจารย์ผู้ที่อันเตวาสิก ข, ขอขมาจะไม่รับการขอขมาไม่ได้รูปใดไม่รับการขอขมาต้องอบัตทุกกฎ